ในวันนี้หลวงพ่อจะได้ไปธุระกับกิจนิมนต์พระที่หมูพวกเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันที่บ้านตาดท่านของปวดมาสามสิบกว่าพรรษาแล้่แต่เป็นน้องหล่นน้องของหลวงพ่อแต่เคยอยู่ด้วยกันงานเกือบว่าทุกงาน ช่วงหลั ง, ลงท่านก็มาร่วมงานที่วัดของเราเกือบทุกครั้งแต่คราวนี้ท่านนดมนต์เกี่ยวกับเตี๋ยของท่านทำบุญกอพรอไม่รู้กี่ปีแต่ว่าท่านทำบุญหาเตียตีจังหวัดะยองท่านอยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็นดมนต์หลวงพ่อเรื่องในมนต์พระครูบายการ ที่รู้จักมักคุนไปทําบุญแต่ในทาบุญในครั้งนี้ว่ามีเครือญาติของท่านด้วยพอไปแล้วก็มีตั้งสี่งานติดติดกันคือเขาคงจะไปที่ไปลงไปทีนหนึ่งก็ควรจะทำให้ได้หลายคนติดต่อกันคงจะลักษณะอย่างนั้นและหลวงพ่อจะได้เดินทางวันนี้ไปเขาไดหลายวันอยู่ เพราะนั้นพวกหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่อยู่ในวัดก็ให้ทำอกตั้งใจครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็ควรก็ให้เหมือนกับครูบาอาจารย์อยู่คือธรรมดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะนออกจากบ้านก็เป็นการ มีความเป็นห่วงเป็นธรรมดาพราพ่ อ, พอแม่เป็นผู้ปกครองลูก <Okay. S 1> กลัวลูกจะทำไม่ดีอย่างนู้นกลัวลูกจะทาไม่ดีนี้นกลัวลูกจะขาดตกบกพร่องอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้คือเป็นของธรรมดาของโลกพ่อแม่ฝ่ายธรรมะอย่างหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเสมือนกัน เวลาจะหนีออกจากวัดหลวงพ่อเขาเป็นห่วงก็ได้สั่งเสียบอกเออถูกทนทั้งหลายอยู่ในวัดหน้าให้เคารพกันหน้าอย่าทะเลาะวิวาดกันหนา้าให้ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างภาวนาเห่องวองผากความเพียรของใครของเราหนะ้าผูบายจา์อยู่หรือไม่อยู่มีคุณค่าเท่ากันทางว่าพูดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม คือการกระทำครูบาอาจารย์อยู่ตัวเองทำชั่วมันก็ชั่วอย่างเก่าครูบาอาจารย์ไม่อยูออ่หรืออยู่ทำดีทำชั่วก็เหมือนเก่าถ้าไม่เชื่อก็ทดลองดูครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ทดลองจับไฟดูก็ได้ อ, อมันร้อนไหมมันก็ร้อน อันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ทำความดีความชั่วมันก็ร้อนถ้าทำความชั่วมันก็ร้อนถ้าทำความดีมันก็ดีความดีเหมือนกับ น, น้ำแข็งความชั่วเหมือนกับไฟถามว่าครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่เราจะไฟมันร้อนไหมถ้าเราจับน้ำแข็งมันเย็นไหม ก็คือม่อก็เย็นอย่างเก่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าทำความชั่วความชั่วนันก็จะต้องเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่นั้นมีโอกาสที่จะได้เร่งความภาคความเพียรความพยายามออตั้งใจขมักขะแมน่นนั้นแป่ว่าผู้ไม่ประมาทอย่างองหลวงตาขณะที่หลวงปู่มั่น ไปไประชุมเพลิงหลวงปู่เสาที่จังปัสปสักที่อุบลที่วัดอุบลเนี่ยจะชุมเพลิงหลวงปู่เสาที่อุบลหลวงปู่มั่นไปแต่หลวงตาบ้านตาดูเฝ้าวัดหลวงปู่มั่นท่านไปหลวงตาหมาบัวเฝ้าวัดท่านบอกว่ามีโอกาสอย่างมากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ ท่านเขาเล่นความเพียรภาวนาไม่ต้องวิตกกังวลดึง จ, จิตวัด้อวัดพยายามดูใจของตอนเองอยู่ตลอดจนมีกำลังขึ้นมาในช่วงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นะครูบาาจารอยู่หรือไม่อยู่กับพยายามทำตนให้เป็นพระที่ดีพระที่ดี ให้อยู่ในกอบของศีลธรรมให้อยู่ในหลักพระธรรมวิตรถ้าว่าตัวเองทำไม่ดีแล้วทำเสียหายแล้วเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็เสียหายเป็นที่ตาหนิตัวเองและก็ผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องไปจำตำหนิได้เพราะสมัยอยู่ด้วยกันนะอยู่กับหลวงพ่ออินนะวัดปานาคำน้อยสมัยนั้น พระองค์นั้นพระของนี้อาจารย์องนั้นองค์นีสมัยเป็นพระ น, น้อยพระหนุ่มไม่ได้เรื่องนะไม่แต่ขอเรื่องไม่แต่หาเรื่องเราทะเลาะวิวาสกับมู้กับเพื่อนเกการละลานเวลาครูบาอาจารย์ อ, อยูยยอ่อีกอย่างหนึ่งถ้าครูบาอาจารย์ไม้อยู่อีกทําตัวอีกอย่างหนึ่งเน่เนี่ยอันนี้คือเป็นประวัติของตนเองเหมือนกันเป็นประวัติที่ไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นประวัติที่ไม่ดีเ ป, ป เ, ปปดเป็นมลทิน คนอื่นที่อยู่ร่วมกันเขารู้นะคอยดั น, นการอยู่นสถานที่ใดถิ่นใดให้เป็นพระที่ดีให้มีศีลธรรมประจำใจให้เป็นที่ยอมรับของครูวาอาจาร์หมู่เพื่อนตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องให้เสมอต้นเสมอปลายผุดจบแล้ว ทางฝ่ายในครัวเขาเหมือนกันในครัวบาอาจารไม่อยู่แต่ทำสนอีกไม่ดีก็ไม่ได้บาป ก, กรรมเขาไม่ได้เลือกว่ายกโทษให้หลวงพ่อไม่อยู่เขามันได้วายอย่างนั้นนะถ้าใครทำความชั่วนะ ยมพบาลเขาเขียนเสียงังมาเน่าไว้คนโบราณก็ว่างั้นนะถ้าคนไหนทำดีเขาเขียนใส่แผ่นทองเอาไว้สลักใส่แผ่นทองเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละคนทุกนี้สมัยนี้ถ้าว่าครูบาอาจารย์ธรรมะคำสั่งสอนที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเขาสลักใส่หินอ่อนเอาไว้ หินแกลนิตรวายใส่ลงสีทองอีกต่างหากเพื่อคนให้คนได้ศึกษาเป็นธรรมตาอวัยจารเป็นทำคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าคนได้ทำคำชั่วเขาขัวจะลืมเขาเขียนจกระดากระดาษไหมกระดาษอะไรก็ได้กระดาษทั้งซื้อพิมพ์ก็ได้กระดาษได้เขียนน้อยเพื่อกันดึงอย่าเขาพูดยังไงเขาทำยังไงพอเขียน พอเสรแล้วเกิดขยมขยาทิ้งลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือผู้ที่สร้างคุณงามความดีท่านสลักใส่หินแกลนิปเป็นอมตะวาจาให้เป็นผู้ได้ศึกษาแต่คนที่ทำไม่ดีเน่ยเขาเขียนกระดาษนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับคนโบราณเขาบอกว่าคนทำดีเขาสลักใส่แผ่นทอง ถ้าคนทำชั่วเนะี่ยเขาเขียนเส้นหนังหมาเน่าเขาเขียนเส้นหนังหมาอีกต่างหากเพรงั้นแหะแล้วเขาก็บันทึกใส่คอมพิวเตอร์พยโยมดิคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ถึงมายังหัวสมองยังน้อยนะคอมพิวเตอร์ของโยมพบาลเนี่ยใหญ่มากเลยเพงั้นกัใครทำกรรมชั่วสิ่งไหนเขารู้หมดเน เพราะนั้นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีอยัดลิรมทําไปแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้เป็นพระบาลีอกตังลุกตังเสยโยปัชชาตะปติลุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าทำ โดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอืคิดมโมโหขึ้นมาแล้วก็ทําออกไปพูดออกไปอในขณะที่ทําและพูดก็ฉาบใจในวันนั้นที่องค์ได้ได้ทําได้พูดแต่พอทําผ่านไปแล้วพูดผ่านไปแล้วนั่นแหละเองไมายเรียบจะมาหาตัวเองเย่ย เ, เมื่อไม้เรียกเข้ามาแล้วก็นั่นแหละ ไม่รู้ร้อนเหม่รู้หนาวแล้วท่านเหงื่อแตกหน้าแตกหลังล่ะในขณะที่ตัวเองทำนั้นตัวเองก็ไม่ได้คิดทําด้วยความฉับใจไม่ได้คิดด้วยก่อนว่าอนาคตที่จะตามมันเป็นยังไงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ากคำช่วยอย่าทําเสรีดีกว่าเพราะกรคำชั่วนั้นย่องเผาผล า, ผาเมื่อภายหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะให้พวกเราคิดให้ดีสิ่งใดก็าตาม เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่กรรมการกระทําของเรานะัเนน่ยความเดือดร้อนจะตามมาทีหลังเพราะนั้นทําแต่กรรมดีเื่อทํากรรมดีแล้วความสุขสบายใจไปน่งสถานที่ใดถินด่นใดยาวนานเท่าไรหมู่พวกเพื่อนมากน้อยเท่าไหนเห็นแล้วก็อุ่นอก อ, อุ่นใจเป็นเพื่อนเป็นผู้เป็นพักเป็นพวกไว้เนื้อเชื่อใจกัน นานเท่านานนะถ้าเราทำดีนะแต่เ่าทำไม่ดีก็ย่างที่ได้กล่าวเบน้องต้นดัะนั้นอย่างหลวงพ่อจะไปทําธุระหลายวันก็เป็นหัวหมู่พวกเพื่อนเหมือนกันก็ได้สั่งเสียการเป็นอยู่างไงเวลาเก็บไข่ได้ป่วยทํายังไง เ, เวลาขาดเหลือขาตกไม่วัดทํายังไงหลวงพ่อก็ได้สั่งวไว้พอสมควรสทาหรับงที่จะผู้บริหาร แต่ทั้งยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อก็มาคิดกับหลวงพ่ออีกเหมือนกันการเป็นห่วงและการบริหารอย่างนี้มันขู่อยู่ในระดับหนึ่งอยู่ในระดับหนึ่งที่ว่าเราพอที่จะพูดแนะนําสั่งสอนเขาได้เราก็เป็นห่วงแล้วก็สอนเขาบอกเขาเท่าที่จะทําได้แต่ส่วนลึก ข, ของหัวใจของหลวงพอ่อจริงๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยแต่อินได้ถึงแก่จะห่วงอย่างไงก็เถอะนะแต่แกเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่าง ตะแก่ก็ต้องทิ้งทั้งหมดในโลกแต่เมื่อตะแก่์ยังอยพอที่จะสอนบอกกล่าวได้ก็บอกไปแต่ส่วนลึกๆแล้วกระดูกของตะแก่ตะแก่ก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งของตึกที่หลวงพ่อแต่ครับหลวงพ่อจะสอนตัวเองอย่างนั้นกระดูกตัวเองตัวเองก็ยังเอาอาไปด้วยไม่ได้นะไม่ต้องคิดทั้งอย่างอื่น แต่นี้มันตัดนะแต่เมื่อเราที่จะเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงเราก็แนะนําสั่งสอนแต่ว่าส่วนลึกของหัวใจแล้วหลวงพ่อเป็นห่วงอะไร เ, เสียดายไหมพร้อมที่จะตัดในจิตในใจในทุกโอกาสทุกเวลาเพราะในพิจารณาและธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอนนี้จังทุกขังอานาจามีอยู่ทุกอริยาบททุกก้าวเดิน เพราะนั่นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราทำอะไรเราก็ทำได้คล้ายๆว่าความเหมาะสมความเหมาะสมอยู่ยังไงแค่ไหนเราก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อเราอยู่กับชุมชนสังคมเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องกับชุมชนและสังคมเมื่อเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนอ้าวก็ทำให้ถูกต้องอย่าให้มีที่ตำหนิในเมื่อจุดจบสุดท้ายของเรา เราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นมันออกไปด้วยไม่ได้จริงๆ จ, จะว่าอย่างไงออกไปแต่ใจของตนเองเทนั้นไปแต่ตัวผู้รู้ท่านรู้ตัวนั้นแถ้าว่าเรายังชนะตัวผู้รู้อย่างนั้นไม่ได้ยังมีเชื้ออยู่ตัวผู้รู้อย่างตัวนั้นยังมีเชื้ออยู่เชื้อคืออะไรเชื้อที่จะทำให้เกิดนัคือกิเลสราคะโทสะโมหะ ใจดวงนั้นคือผู้ตัวผู้รู้ยังมีเชื้ออยู่ยังแบบเชื้อไปอยู่เหมือนกับเมล็ดข้าวมันยังมีเชื้ออยู่ยังมีตายังมียางยังมีเปลือกหุ้มอยู่เมล็ดข้าวเม็ดนั้นก็พร้อมที่จะปลูกเกิดในในที่ทุกสถานในเมื่ออากาศมันเหมาะอากาศเหมาะที่ดินเหมาะความชื้นเหมาะ เม็ดข้าวมาเมล็ดนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เพอาะเหตุใเพราะว่ามันยังมีเชื้ออยู่ใ น, มนเมล็ดข้าวนะั้นแต่ถ้าว่าเรากระเทาะเปลือกมันออกซะตำเปลือกมันออกแลแกะเปลือกมันออกซะเหมือมันก็เราเอาข้าวเปลือกไปสีอ่างนันนะเอาขาเปลือกไปตำใส่ครบอย่านั้นแต่ไม่มีแต่ข้าวสารนะเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดทั้งนั้นอวิทยาศาสตร์ การเกษตรจะดีขนาดไหนปูกข้าวสารทดลองเลยสิมีแต่นเน่าลูกเดียวหรือไม่เน่าอยู่อย่างนั้นแบบข้าวสารอันนี้ก็เหมือนกันพระพุดธ้เจ้าให้กระทกเทาะเกล็ออกจากจิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์เหมือนกับข้าวสารแล้วไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดล้วก็หาความทุกข์ไม่ได้ความเก่ดเจ็บตายก็ตามมามาไม่ถึงเพราะบริสุทธิ์แล้ว เห็นท่านเห็นว่านิพพานนงตรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนงตรมังสุลยังนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดศูนย์หมดเชื้อมันศูนย์แล้วเพราะดันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดนะมีที่ยุติมีที่จบเมื่อเราเอา เือออกจากใจแล้วกิเลสและธาตุศาสตรออกแล้วก็จบไม่มาเหวียนว่ยตายเกิดอีกแต่ถ้าว่ายังมีเชื้ออยู่มันก็ต้องเหมือนกับเมล็ดข้าวเพาะพันธุไปเรื่อยเพาะพันไปเรื่อยพันธุ์นั้นมานนั้นแต่เมล็ดข้าวมันก็กลายพันธุ์เหมือนกันแต่ใจของคนเราก็เหมือนกันะกลายพันธ์ได้นะเกิดมาพบในชาตินี้เราไปคิดว่า เราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่ได้สะสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าว่าออกจากชาตินี้ไปแล้วอาจจะตกต่ำก็ได้เกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้กลายพันวะนั่นวิญญาณของเรากลายพันพอเราไม่ได้รักษาผันเอาไว้ถ้าเราคัดสันมาอยู่เสมอเหมือนกําเม็กข้าวคัดสันมาอยู่เสมอมันก็อยู่ไปตลอดมันก็อยู่ในระดับเพอเออาจจะ เป็นพันขึ้นเม็ตโตก็้นก็ได้เพราะว่ามันผัดมันดีมันขยายพันขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมพรม้อมมาได้คัดสรรเมล็ดข้าวเม็ดนั้นมันอาจจะกลายเป็นข้าวหางกก็ได้แข็งๆไปเลยชาวนาเขาจะรู้จักดีข้าวแต่ข้าวกลายพันธุ์มั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าว่าพวกเรา พยายามตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอดูใจของตนเองอยู่เสมอสิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าคิดอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำทำใจให้ตัวเองมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจความสมุบพร้อมเย็นเป็นสุกขก่อจะอยู่ในใจของตนเองตลอดมิตรสูงส่งขึ้นเรื่อยเรอยอย่างที่พูะพุทธเจ้าพระอรหนันสาวก ท่านแนะนำสั่สอนพวกเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการที่จะออกไปทํำธุระก็เป็นห่วงวัฒนธรรศาสนาเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนเป็นห่วงการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทํานทั้งหลายทุกทุกงนะตลอดถึงผวกญาโยมทุกคนด้วยจะให้ดูรักษาคุณงามความดี ให้รักษาใจตัวเองรักษาคุณงามความดีของตนเองเหมือนกับเกลือรักษาความเข็มฉันนั้นเกลือถ้าอยู่ณสถานที่ใดที่ใดไปที่ใดเกลือก็รักษาความเข็มของตนเองอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดเวลาใดก็ให้รักษาคุณงามความดีเหมือนกับเกลือรักษาความเข็มฉั <aden> นนั้นคนนั้นอยากปล่อยปะละเลยอยา่าเลยจริงนะและ้วพอมกันก็ หลวงพ่อก็ได้แนะนำว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมมีจุดจบที่มันมวนเวียนอยู่ในโลกวัตตะสงสารพะ ก, กิเลสผาเดินเป็นวัตตะเหมือนกระทะเบื่ออกซ่าใจดวงนั้น ก, จก็จบกระทะเบื่อคือกิเลสฟาทะโทษาโมหะ อ, อกจักใจใจตรงนั้นก็หมดเชือ่ออย่างที่พ่อแม่ครูบายการที่ท่านปฏิบัติมา ตอนื่อไปแล้พอนะแต่นี้นะนนมโมธนาาให้พอ